<c oughs> ทำเรื่องหลายๆเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวสรุปลงมาทำเรื่องเดียวเป็นหลายๆเรื่องเป็นชีวิตของเราเขาจะว่าเขาชิ้เลขพันห้าันหารอยแปดมีความโลภความโกรธความหลง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า8ปดหมสีพเรื่องถ้าเรามาคิดได้ยินอย่างนี้เราก็พอใจบางทีก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรมอบให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปการตต่สรูปของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพระรหัตทั้งหลายก็ปเป็นเรื่องของพระรหันแต่สาวกทั้งหลาย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 ความหลงเราก็เอามาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตัวทำได้ไหมทำได้ไหมเราทำดูเราทำดูำดโอ้มันทำได้มันทำได้นึยว่ามัใจัยทำไม่ได้คิดยุ่งคิดยากไปพอทำลงไปมันก็ทำได้พราะมันหลงทีใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอ้าวผมหลงก็ไม่ไปถึงไหนไปแค่แค่คืบแค่ศอกแล้วก็กลับมาได้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 เคลื่อนไว้ไปมาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันเป็นสูตร <c oughs> แล้วสูตรย่อยๆมันก็มีเหมือนเราเรียนสูตรคูแเราขยายไปเป็นนันบวกลบคูนหารได้หลักของการเจริญสติที่เราเรียกว่ากายานุปัชนาเนี่ยเอาดุนดุนก้อนก้อนมาทำไม่ต้อง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 พอพลิกมือก็รู้พับเนลึกซึ้งไม่ต้องไปหาไม่ต้องประเหตุเอาผลฉันรู้หรือเปล่ามือของฉันวางอยู่บนเข่าฉันรู้หรือเปล่าไม่มีคําถามว่ามือของเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เองเราพลิกมือขึ้นเราก็รู้ว่ามือเราพลิกหรือยังไม่มีคําถามเรายกมือเรายกหรือยังหนอมือเรานไม่มีคําถามมันรู้สึกซื้อ รูมันก็รูแล้วมันก็รูแล้วปีกมือขึ้นมันก็รูแล้วยกมือขึ้นมันก็รูแล้วเอาเมื่อขึ้นมาอย่างนี้มันก็รูแล้วมีสิบสี่รูมันบอกว่ารูแล้วรูแล้วมันก็รูมันก็จบไปมันเป็นความรู้แล้วมันเป็นความรู้แล้วทําเท่านี้ทําเท่านี้เริ่มต้นจากจุดนี้และบางทีมันอาจจะไม่รู้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 ถ้ามันเป็นกรรมกรรมมันจึงจะจำแนกไปเป็นผลได้ถ้าไม่มีกรรมมัวไปเหตุเอาผลมันก็เป็นความคิดมันไม่ใช่เป็นของเก่งผลมันจะจำแนกไปเองว่าแต่เราทำกรรมตรงนี้อทำสบายๆทำเบาๆวางๆคลายๆเรื่องของกายก็คลายๆ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 อยากรูอยากรูดอา้าวไปเอาความอยากมามาประกอบกันอีกแล้วกลัวมันจะผิดอา้าวไปกลัวผิดอีกแล้วอยากได้ถูกก็อ้าวความอยากได้ถูกก็เกิดขึ้นมาแล้วเอ <c oughs> อมันหลงไปก็อา้าวไม่อยากให้มันหลงแต่ว่าผิดแล้วเอาไปผิดไปถูกไปหลงไปรูดอยู่มันไม่ใช่ตัวปฏิบัติคือตัวรูดสกตัวตัดไปเลย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 เป็นของที่สากล น, นะได้ความรู้สึกตัวเท่าที่เราจะให้มันออกหน้าได้สมมุติว่าเรานั่งอยู่มันคิดจะลุกตัวคิดจะลุกมันเกิดมันเกิดจากความคิดก็อย่าทําตามความคิดแม้มันคิดจะลุกก็ใช่แล้วแต่นั้นอย่าลุกตามความคิดความคิดมันสั่ง อย่าไปทําตามความคิดให้รู้สึกตัวเส่อก่อนบางทีมันคิดจะลุกไม่ต้องลุกในเวลามันคิดดูดีๆเช่อก่อนกลับมารู้สึกกายเส่นก่อนถ้าจะลุกก็ลุกด้วยความรู้สึกตัวเห็ <c oughs> นเวลาเราเดินจงกรมอยู่มันคิดจะนั่งก็อย่าไปนั่งตามความคิด ไวจ้จนเกินไปเราจะตามหลังเขาเขาจะออกหน้าแต่เพื่เถือไปความคิดนั่นนะก็เวลามาคิดจะนั่งก็ไม่ต้องนั่งรู้สึกตัวเจะกอดดูดีๆก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งทําตามถ้าเราจะนั่งก็นนั่งตามความรู้สึกของเรานั่งตามความรู้สึกของเรา <c oughs> เรียกว่าหัด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 ความทุกข์กอเพื่อสร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พึทเือไปแต่เรามีสติแยบแยบใคา่ดีๆความหลงเป็นเหตุให้เกิดความรู้เลยสบายเลยไปโอ้ความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้มนหลงเทไรรู้สึกตัวไม่เสียหายไม่ได้ไปกับมันเลยพาะมันต่างกันอยู่ดูไปดูมาดูไปดูมา ความหลงจะได้ลูกความหลงก็หมดไปวอดไปหายไปอธรรมยม่อมทำยม่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอความหลงไม่เป็นธรรมดอกผมรู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าใช่ได้ความหลงไม่ใช่ไม่ได้เลยถ้าดูดีๆถ้าเราแยียบใครดีๆนะหลงสักสองสามครัง้งเรารู้แล้วเูาเท่าแล้วรู้ทันแล้ว แต่เราไม่แยบคลายเนี่ยหลงรลอยคลัง่งพนนวลก็ยังหลงอยู่นั่นแหละความหลงยังลอยนวนอันเขาเขียนภาพใบฝาผนังศาลาเขาเขียนคํำว่ากิเลสกิเลสเขียนเป็นรูปหมาตัวนึ่งถ้าอ่านเดียวแล้วว่ากิเลสแต่มันเป็นรูปหมาตัวนั่นก็เ ข, เขียนศินละปละแล้ว เขียนกินเหล็มแลก็เป็นรูปเป็นรูปหมาตัวนนะึ่งยาปล่อยให้กินเหล็ดเป็นรอยนวลเขียนอย่างนีนะ้หมายถึงความหลงเพราะถ้ามันหลงเนี่ยดีมีประโยชน์เพราะเราจะได้รู้สึกตัวดูดีๆที่หลงอะไรหลงกายเห็นความหลงเห็นความคิด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 ไม่มีน้ำหนักกันหลยถ้าเราดูดีๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักแต่ก่อนความหลงมีน้ำหนักฟัดเราส่งเราไปสุดเหวี่ยงตายไปเป็นความโกรธความทุกข์ความยินดียินไล่ไปน้องแต่ถ้าเรามีจิตใจแยกขคลยดูดีๆนะสร้างสิ่งไว้รอมดีๆมันกับน้ำที่มันนิ่งลามัานบ้อนก็เห็นทันที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 มันดีได้มันตัดไปได้ความรู้จึกตัวมันสร้างสรรค์ขึ้นมามันเปลี่ยนได้ความมุ่นวายมันเปลี่ยนให้ความปกติความสับสนมันเปลี่ยนให้สิ่งที่เป็นระเบียบได้เราหัดทําดูสบายๆทาสบายๆเห็นความหลงทีใดแล้โอ้มันชื่นใจมั่นใจเพราะมันหลงปั๊บมั่นใจเหมือนคนทำงาน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 ขาเขาก็ไปเหยียบเปกเมือเขาก็จับพงมาไัยกดแต่เขาขนออกมาความรู้ที่จะเป็นสัญญาณให้พ้นภัยเขาขนออกมาหรือว่าเหมือนกับหมอที่เขาตรวจโรคเขาจนเห็นโลกวินิจฉัยของโลกเมื่อเขาพบเห็นโลกสมมติฐานของโลกเขาก็เด็ดเนื้อเือได้ อเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนหลวงพอ่อว่ า, มามประมาณหลวงพ่อปวดฟันเนี่ยไปหาหมอต่อหมอทำไมคนหมอฟันฟันจังปวดอยู่ดีๆมันปวดเนี่ยมันเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็ดูต่อเขาดูไปดูว่าโอ้รู้แล้วรู้แล้วหลวงพอ่อฟันมันเป็นรูจนถึงลากตัวนั้นเนี่ยมันมีอะไรมาปิดรูปันเนี่ยแล้วก็เขีย่ยออก มันก็หายปวดเขาเห็นเขาเห็นสมมทฐานเขาดูออกชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่ไม่ใช่จะทุกข์กับพึ่งระพื้ไปไม่ใช่จะสุขกับพึดงะพือไปไม่ใช่จะโกรธจะพึ่งตะพืล่อยไม่ใช่จะร้งกับพึ่งตะพือไป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 แต่ถ้าเราไม่เฉลยความโกรธก็ไม่ค่าความทุกข์ก็ไม่ค่าความโลภความหลงก็ไม่ค่าผมรู้สึกตัวเฉลยหมดค่าเลยเหลือศูนย์ไม่มีค่าไม่แต่จะโกรธก็โกรธ ไ, ไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าอะไรไม่ถูกต้องแล้วการรู้สึกตัวมันเหลือศูนย์แล้วเหลือศูนย์แล้ววิธที่มันเหลือศูนย์ตั้งต้นจากศูนย์มันจึงถูกต้อง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 เราดูตัวเลขหลวงพ่อเลยบอกเขาหยุดทาไมเป็นอย่างนี้เราบอกหลวงพ่อมันตัวเลขมันตั้งไปสองรอยแล้วหนูจะลบให้หนูจะลบใ ห, ห, ให้แต่เราไม่ดูก็เขาก็บวกสองรอยไปเลยเป็นหกรอยบาทแทนที่จะเสียเงินสี่รอยบาทเสียเงินเป็นหกร้อยบาททำไมฟพิ่มคนเป็นปอย่างนี้มันเสียมันเสียมันเสียมันตั้งไม่ได้ตั้งที่ศูน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 ปกติที่เป็นค่าชีวิตจริงๆนะเราก็ทําตามความโกรธโดดตึกตายบ้างแนขนคอตายบ้างข้าตัวตาอกหักเจียอกเสียใจเพราะมันมีค่าแล้วของไม่มีค่าก็เหตุก็ไปทำให้มันมีค่าซะแล้วก็ผิดพลาดอยู่แค่ไหนมันไม่มีจริงๆงมัอนกนัมอดีโลกพูนะ้ใดมา มันไม่มีค่าเราไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยิงเงี้มันไม่ใช่อะลองดูดีิดูกายเคลื่อนไหวไปมาโอ้มันมีตัวรูปตัวรูปมันเห็นพอมันชิดพักมันก็เห็น่ะโอ้มันหลงเห็นพักแต่ก่อนความคิดไม่มีค่ามันไปไกลไปยินดีไปยินร้ายไปชอบไปไม่ชอบไปยึดไม่มีค่าเลยกปพอมาดูอย่างพอมคิดพักโอ้ ความคิดมันเกิดขึ้นเขาหลงถ้าไม่หลงก็คิดไม่ได้ลูกสักตัวมันก็ลู่เหยียดเนี่ยคิดมันมีสองอย่างอันหนึ่งตั้งใจคิดอันตั้งใจคิดไม่ค่อยอยากคิดหรอกอันก็ไปเป็นการบ้านอัน้นครูให้การบ้านเด็กนักเรียนให้ไปคิดเรื่องนี้ดูไม่อยากคิดทิ้งไว้นั่นแหละแต่คิดแบบหนึ่งความลักคิดที่ไม่ได้ตั้งใจ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 แต่มันมีตัวเป็นตนยิงไหมเห็นความคิดนะเราเคยดูมันไ้ยไม่เคยเห็นเลยหลวงพอ่อสมัยก๊อสามสิบปีอายุสามสิบปีไม่รู้เลยเรื่องเนี่ยนอนอยู่เฉยๆก็โกรธไม่มีใครมาดูมาด่าก็อดเพราะความคิดตัวเองเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองมีไหมโยมนะมีไหมเออไม่มีใครมาว่าอะไรคิดขึ้นมาแล้วอ๋อทำตาอะไรอะไร อ้อไม่หลับเลยบางทีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเข้มาฆ่ามันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกำมัดกัดฝันคิดขึ้นว่าโง่ว้โอ้ยหลวงพ่อมาพบหลวงพ่อเทียนให้ดูคนคิดอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกอย่าเข้าไปในความคิดถ้าเห็นมันคิดพอกไม่ใช่แล้วกลับมา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 แสงสว่างสองชั่วโมงความมืดก็ไม่มีทั้งสองชั่วโมงแสงสว่างไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงความมืดก็ไม่มียี่สิบสี่ชั่วโมงแตะเป็นความมืดในชีวิตหมายถึงความหลงเอาลองดู <S <S มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บ้าเมื่อไม่มีโอกาสหลงมีแต่ตัวลูกคลองความหลงก็หมดเชื่อได้นะเหมือนข้าวปลูกที่เราเอาไว้ทำพัน เมื่อมันไม่ได้กิ่นอายของฝนเก็บไว้ในลุกยุ่งในฉานสองปีสามปีไม่เอามาสัมผัสกับดินกับน้ามันก็หมดเชื่อได้นะครับเอาไปหว่านไม่งอกเลยได้ไหมโยมเม็ดถั่วเม็ดงาทุกคนกนถ้าเก็บไว้นานเกินไปเอาไปพ่อไปหว่านไม่เกิดไม่ออกหนอก่อไม่งอกเลย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 โอ้ยมันไม่ใช่พรนาคานมีพรนาคามีไปรอบเดียวแล้วแม่มีก็นิดหน่อยเบาบางถ้าเป็นความโกรธก็ยี่สิบห้าเปอร์ซนเบาไหมยสบห้าเอร์ซตปุชนร้อยเปอร์ซโสดาบันเจ็ดสห้าเปอร์ซนตกีทาคามีห้าสิบเปอร์ซนนาคามียี่สบ้าเอร์ซตเบาไหมถ้าเป็นความร้อนก็ยี่บห้าองศาใช่ไหม ไม่ต้มอะไรไม่สุกถ้าเป็นความหนาวก็ไม่หนาวมากถ้าเป็นความร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับทําให้เสียหายรอบเดียวไปได้เลยพ้นไปเลยรอบเดียวพ้นไปเลยผ่านไปแต่พื้นะตพื้อผ่านไปแต่เรื่องเดียวทุกแล้วทุกอีกโกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วหลงอีกใช่ไหม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 ก็มีหวังอายุไม่เยอยตายง่ายถ้าแม้มาโกรธบ่อยๆถ้าแม่มาโกรธบ่อยๆเราไม่ตายหรอกเพราะว่ากันอย่างนี้เลยนะท่าเราโกรธพราะคนอื่นทำํำไมเราโกรธมันเสียเปรียบเสียเปรียบเขาเน่ยไม่อะไรด้วย อ, อะไรเขาทําให้เราโกรธเขาทําให้เราทุกข์ทำไมยังเป็นอย่างนั้นอุตุชนนี่ร้อยทั้งร้อยเป็นทุกข์พราคนอื่น เป็นทุกข์เพราะวัตถอื่นเสียงอื่นทําให้เราเป็นทุกข์ตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆัจบันนี้เรามาดูมารู้มาเห็นเลยมันไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยรู้กับเราถ้าเรารู้สากตัวจะมั่นใจไหมมั่นใจเนี่ยเราอยู่ของเราเรารู้อยู่แหละ เรารู้เราเห็นเป็นอยู่เนะี่ยของที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะทำอะไรให้เราได้เราจะมาสร้างความรู้สึกตัว